บทที่ยี่สิบเก้าารณะที่แท้ถ้อยคำของพลตรีสิครินอินพรมทำให้ในายทหารชายหญิงพากันหัวเราะคิกคัคกท่านพระครูยิ้มนิดนิดแล้วถามในพลตรีว่าท่านอยากจะแข่งบ้างไหมไม่อยากครับหลวงพ่อ เพราะผมไม่มีรถเบนแล้วอยากมีไหมถ้าอยากอาตมาจะเสกให้อยากครับกรุณาเสกให้ผมสักคันเถอะครับหลวงพ่อผมก็อยากครับดิฉันก็อยากค่ะนายทหารชายหญิงตอบพร้อมกันท่านพระครูจึงพูดยิ้มๆว่าแสดงว่าทหารที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้อยากตกนรก เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่ะตอบพร้อมเพรียงกันอีกแล้วพลตรีสิครินเป็นหัวหน้าจึงพูดแทนผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นการแก้ต่างให้ตนเองไปในตัวว่าคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อที่หลวงพ่อถามพวกเราว่าอยากมีรถเบนท์หรือไม่พวกเราอยากมีทุกคนครับไม่เฉพาะทหารที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้เท่านั้นหรอก ที่อยากจะมีรถเบนซ์ผมขอกราบเรียนว่าทหารทั้งกองทัพเลยนั่นแหละครับที่อยากจะมีถึงคนที่ไม่ใช่ทหารเขาก็อยากจะมีขอประทานโทษผมจะขอเรียนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่ออยากมีรถเบนซ์หรือเปล่าครับท่านพระครูตอบทันทีว่าอาตมาไม่อยากมีแต่ถึงไม่อยาก แต่ก็ต้องมีเพราะในอนาคตจะมีคนเข้าซื้อถวายท่านพูดตามที่เห็นถวายกี่คันครับถ้าหลายคันหลวงพ่อขายผ่อนให้ผมสักคันนะครับผมขอจองไว้ก่อนอัตมาทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกในโพลอัตมาเป็นสมณะไม่ใช่ข้ารือหัดอย่าโยมเข้าถวายอะไรมา ที่ไม่ผิดต่อสมณะวิสยัยอาตมาก็ใช้สอยไปตามนั้นโดยไม่ยึดติดถือมั่นเรียกว่าใช้สอยอย่างปล่อยวางเมื่อทำได้อย่างนี้ก็จะไม่ตกเป็นาธาตุของวัตถุถ้าอาตมานำของที่เขาถวายไปขายให้ท่านไม่ว่าจะขายสดหรือขายผ่อนก็เท่ากับอาตมาตกเป็นาธาตุของวัตถุซึ่งไม่ใช่วิสัยของสมณะหลวงพ่อครับ ผมอยากจะเปิดเผยความในใจถ้าไม่ได้เปิดเผยในวันนี้และเดี๋ยวนี้ผมคงกลับไปด้วยความอึดอัดขัดข้องขออนุญาตหลวงพ่อและเพื่อนสหธรรมิกด้วยนายทหารยศเท่ากับในพลสิครินเอ่ยขึ้นในทางโลกพวกเราอาจจะแตกต่างกันด้วยยศและตำแหน่งหน้าที่แต่ในทางธรรม พวกเราเป็นเพื่อนสหธรรมิกที่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนับว่าเป็นโชคอันดีเป็นลาบอันประเสริฐของพวกเราที่ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณวัดป่ามะม่วงแห่งนี้ผมดีใจที่ในประเทศไทยยังมีพระภิกษุสุปฏิปันโนเช่นหลวงพ่อหากผมไม่ได้มาในครั้งนี้คงจะต้องตกนรกหมกไหมยอย่างแน่นอนเพราะความเห็นผิด ผมขออนุญาตหลวงพ่อเล่าสู่เพื่อนสหธรรมิกฟังนะครับตกลงอาตมาอนุญาตว่าไปได้เลยเมื่อท่านอนุญาตเขาจึงเล่าว่าผมขอสารภาพว่าผมเองก็ศรัทธาเลื่อมใสผู้หญิงที่อ้างตัวเป็นพระศรีอานและเป็นพุทธมารดาเพราะภรรยาผมเขานับถือภรรยาคุณเป็นด็อกเตอร์หรือเปล่า คลตรีสิครินถามเป็นคำถามที่อยู่ในใจของผู้ที่อยู่ณที่นั้นทุกคนรวมทั้งท่านพระครูครับเป็นด็อกเตอร์สอนอยู่ที่เขาเอ่ยนามสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วเล่าอีกว่าภรรยาผมเขาศรัทธาผู้หญิงคนนั้นมากส่วนตัวผมแรกๆก็ไม่ศรัทธาพอภรรยาบอกว่า เขาสามารถช่วยให้ผมเป็นนายพลได้ผมก็เลยพูดท้าทายว่าถ้าช่วยได้จริงผมจะนับถือแล้วเขาก็ทำพิธีให้ผมมากมายเสียเงินเสียทองไปร่วมแสนจะว่าไปแล้วขาดทุนครับเพราะตั้งแต่เป็นนายพลมาป่านนี้ยังไม่ได้ทุนคืนเลยครับแต่พอผมเป็นนายพลผมก็นับถือเขามาก จะมากกว่าที่ภรรยานับถือเสีด้วยซ้ำเขาน่าเชื่อถือมากเลยครับหลวงพ่อคืนหนึ่งผมไปเข้าเฝ้าเขาที่ตำหนักกับภรรยามีคนเป็นอัมพาตหลังแข็งมาเลยเขาก็ทำพิธีรดน้ำมนต์ให้แล้วก็บริกรรมอยู่ประมาณยี่สิบนาทีปรากฏว่าคนไข้ลุกเดินได้เลยคนก็พากันเลื่อมสายศรัทธา พากันไปหาจนตําหนักแน่นไปหมดแล้วอย่างไงท่านเชื่อว่าเขามีฤทธิ์มีเดชจริงสามารถดนบันดาลอะไรอะไรให้ใครได้ใช่ไหมท่านพระครูถามเพื่อทดสอบภาวะจิตในพลตรีครับตอนนั้นผมเชื่อมากแต่พอมาเข้ากรรมาฐานที่นี่ความเชื่อเหล่านั้นก็อันตรธานไป และพอมาฟังเรื่องของเขาศรัท ธ, ธาก็หมดเกลี้ยงเลยครับที่ว่าความอันตรธานไปเพราะมาเข้ากรรมฐานที่เนี่ยมาเข้าได้กี่วันถึงเกิดปรากฏการที่ว่าสามวันครับคือคืนวันที่สามตอนที่อาจารย์ัวเยียวท่านให้เดินส5สิบห้านาทีนั่งสี่บ้านาทีพอผมนั่งได้สักครึ่งชั่วโมง นิมิตก็เกิดทั้งเป็นภาพและเสียงภาพคือเห็นผู้หญิงคนนั้นใช้วิธีหลอกลวงประชาชนโดยจ้างหน้าม้าให้ทําเป็นคนอมพาศที่ผมเห็นวันนั้นไม่ใช่คนเป็นอมพาศจริงแต่เป็นหน้าม้าที่รับจ้างมาแสดงละครหลอกลวงประชาชนและผมก็ยังเห็นอีกว่าที่ผมได้เป็นนายพลเพราะถึงคิวผมพอดี ไม่ใช่เพราะเขาช่วยผมหลงโง่มาตั้งนานเขาหลอกลวงประชาชนจริงๆครับหลวงพ่อเพราะเขาเลือกทำพิ ธ, ธีในตอนดึกจะได้พ้นหูพ้นตาเจ้าหน้าที่ตารวจแต่วันหนึ่งเขาก็ต้องถูกตารวจจับรับรองเป็นข่าวดังแน่ตารวจจะเข้าไปจับกุมขณะที่เขากาลังทำพิ ธ, ธีมีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ด้วยแล้ว เขาก็จะหยุดกิจการไปช่วระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเริ่มกิจการใหม่เพราะคนยังไม่รู้เรื่องที่เขาถูกจับมีอีกมากบางคนถึงรู้ก็ยังคงศรัทธาอยู่เพราะเขาขาดปัญญาถ้าเป็นพวกตาสีตาสาก็ว่าไปอย่างแต่พวกที่เป็นถึงด็อกเตอร์และยังงมงายนิศีนาตำหนิมากครับ และยิ่งเป็นนายพลก็ยิ่งหน้าตำหนิหนักขึ้นนี่ถ้าผมไม่ได้มาเข้ากรรมฐานก็คงยังนับถือเขาอยู่ผมยังนึกไปถึงวันหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วที่ภรรยาผมขอให้ขับรถไปให้เขาที่วังน้อยรับมาที่บางลาโพมาทำอะไรที่บางลาโพลคะทหารหญิงผู้หนึ่งถาม มาช้อปปิ้งครับตอนนั้นผมก็แอ บ, บคิดในใจว่าอะไรการเป็นถึงพระศรีอานเป็นพุทธมารดาทำไมยังตัดเรื่องช้อปปิ้งไม่ได้ถึงกระนั้นผมก็ยังคงศรัทธาอยู่มีอีกเรื่องหนึ่งครับคือผมค่อนข้างสับสนก็คือพอทําพิธีเสร็จจะมีเสี่ยขับรถเบนซ์มารับเงินทองที่เขาเอามาทําบุญโดยอ้างว่า เอาไปสร้างบารมีแต่พอนั่งกรรมาฐานได้สามวันก็รู้ว่าเสียคนนั้นคือสามีเขาบัดนี้ผมหมดศรัทธาแล้วครับและผมก็กลับไปบอกภรรยาถ้าเขาไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาที่ผมตัดสินใจเล่าให้หลวงพ่อและเพื่อนสหธรรมิกฟังก็เพื่อจะได้ช่วยการแพร่ข่าวไปยังคนใกล้ชิดจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเขา เหมือนที่ผมเคยเป็นมาแล้วในพลไว้ยห้าสิบเศษพูดอย่างโล่งอกดีแล้วอาตมาขออนุโมทนากับท่านยอมรับความผิดพลาดของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นบางคนเขารักตัวเองมากกว่าคือตัวเองไปเสียรู้เข้าแล้วก็ไม่กล้าบอกคนอื่นเพราะหวากรัวจะเสียหน้าท่านพูดเช่นนี้เพราะ รู้ว่าในบรรดาในทหารชายหญิงที่นั่งอยู่ณที่นี้มีหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อของผู้หญิงคนนั้นและบัดนี้ก็ได้เกิดปัญญารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วทว่าไม่กล้าเปิดเผยด้วยเกรงจะเสียหน้าพระโวเฮียวนั่งฟังอยู่ด้วยฐานะอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัตินับแต่ได้เลื่อนฐานะมาเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานท่านดูสงบส ง, งยม และสงบปากสงบคำกว่าที่เคยเป็นท่านพระครูเห็นว่าเป็นคืนสุดท้ายสำหรับนักปฏิบัติชุดนี้จึงอยากให้พระบัวเฮียวได้มีส่วนร่วมในเรื่องที่ท่านบรรยายบ้างจึงสรุปว่าเอาละทีนี้ท่านก็รู้ด้วยตนเองแล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พึ่งสิ่งภายนอกแต่ให้พึ่งตัวเอง เพื่อเป็นการยืนยันคําสอนในเรื่องนี้อาตมาจะขอให้อาจารย์โบเฮียวนำสวดเขมาเขมะสรณักมณะปริทีปิกาคถาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าที่พึ่งอื่นไม่มีเราต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้ท่านบอกพระโบเฮียวว่าอาจารย์โบเฮียวช่วยแจก หนังสือสวดมนต์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วนำสวดเคมาเคมะสรระคมณะมนะปริทีปิกาคถาหน้าที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าด้วยพระบัวเหียวลุกขึ้นหยิบหนังสือสวดมนต์มาแจกในทหารหนุ่มๆนุ่มสามสี่คนลุกขึ้นไปช่วยท่านเมื่อเรียบร้อยดีแล้วพระบัวเหียวจึงกล่าวนำว่า หันทะมายังเขมาเขมาสรณะทีปิกะคาถาโย ο, พนามเซจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงสวดรับพร้อมกันดังนี้พาหุงเวสรนังยันติปัพตานิวานานิจะอารามะรุขคเจตยานิมนุษย์สาพยะตจิตตามนุษย์เป็นอันมาก เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและลุคเจดีบ้างเป็นสรณะเตนังโขสรารนังเขมังเนตังสรารนังมุตตะมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพทุกขาปมุตตินั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมเลยนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุด เขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้โยจะพุทธันจะธรมมันจะสังคันจะสรนังคัโตจตาริอริยสัจจานิสั ม, มัปปยายะปัสสติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเห็นอริยสัจ ค, คือความจริงอันประเสริฐสีด้วยปัญญาอันชอบ ทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะสะจะอติกมังอริยยันจัดถังคิกกลางมักังทุกขูปสัมมะคามินางคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์เอตังโขสารนางเขมัง เอตังสารณมุตตมังเอตังสารณะมาคมมะสัพพทุกขาปมุจจตินั่นแหละเป็นสารณะอันกเกษมนั่นแหละเป็นสารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุก์ทั้งปวงได้เมื่อพระโบเฮียและผู้ปฏิบัติสวดเขมาเขมะสารณะขมณะนะปริถีปีกาคถาจบลง ท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้เลยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หวังพึ่งสิ่งภายนอกแต่ให้พึ่งตนเองอัตติอัตโนนาโถโกหินาโทปโรสยาเราต้องพึ่งตัวเองเท่านั้น คนอื่นเป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของคนอวดอ้างว่าเป็นพระศรีอารและคนก็พากันไปกราบไหว้เพื่อหวังพึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราเป็นชาวพุทธคาว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและทำไมจึงไปหลงงมงายกับเรื่องไร้สาระคนเดี๋ยวนี้หลอกลวงกันมากเหลือเกิน อาตมารเรียกว่าพวกลวงโลกหวังเอาลาบคือหลอกให้คนอื่นเพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับตนเองแบบนี้บาปมากต้องได้รับกรรมทั้งชาตินี้และชาติหน้ากราวคือเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องถูกตำรวจจับติดคุกติดตารางพอตายไปก็ต้องตกนรกไม่คุ้มกันเลยกับการลงทุนหลอกลวงเขา เพราะเงินทองถึงจะมีมากมายมาหาศาลปานใดก็ช่วยไม่ให้ตกนรกไม่ได้อาตมาจึงถือว่าคนที่ทำอย่างนี้ขาดทุนคือทุนเป็นคุณธรรมความดีซึ่งไม่สามารถจะตีค่าเป็นเงินเป็นทองได้ในอนาคตก็จะพากันทิ้งคุณธรรมความดีไปหาความมั่งคั่งร่ำรวยแทน เขาก็จะพากันคิดว่าเงินทองมีค่ากว่าคุณธรรมความดีแล้วคนชั่วก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตเงินก็จะซื้อได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่หรือบัตรผู้แทนแม้แต่ป ร, ริญญาบัตรก็ยังซื้อได้ด้วยเงินเมื่อเป็นเช่นนี้คนรู้ใหม่จริงก็จะมาปกครองคนรู้จริงคนมีคุณธรรมก็จะถูกกลั่นแกล้งขัดขวาง ไม่ให้มีโอกาสบริหารประเทศอาตมารู้สึกเป็นห่วงชาติบ้านเมืองและพระศาสนามากก็ขอฝากไว้กับพวกท่านอาตมารักทหารเพราะทหารจริงใจกับประเทศชาติและพระศาสนามากกว่าคนอาชีพอื่นแต่พูดอย่างนี้เพราะอาตมาเคยเป็นทหารมาก่อนลุงพ่อเคยเป็นทหารก่อนจะมาบวชหรือครับ นายทหารผู้หนึ่งถามไม่ใช่อาตมาเคยเป็นทหารเมื่อชาติที่แล้วเจว้าชาติที่แล้วก็ไม่ถูกนะักคือก่อนจะมาเป็นอาตมาในชาตินี้ชาติที่แล้วอาตมาอายุสั้นอายุสามขวบก็ตกน้ำตายเพราะอยู่บ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะมาเกิดเป็นเด็กคนนี้อาตมาเคยเป็นแม่ทัพ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีพวกท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่อาตมาอยากจะบอกว่าพวกท่านเคยเกิดเป็นทหารสมัยเดียวกับอาตมาและชาตินี้ก็ต้องมาพบกันอีกวัตถตักชีวิตนั้นมันเวียนว่ายวกววนคนที่เคยเกิดร่วมกันมาก็มักจะเกิดพบกันอีกเอาละ่ะนี่ก็ดึกแล้วใครมีอะไรอยากถามก็ถามได้ ถ้าไม่มีจะได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนหลับนอนปรุงลิตรีสีจะได้มาทำวัดเช้าเด็กกันเป็นครั้งสุดท้ายท่านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติธรรมซักถามหลวงพ่อคะหนูรู้สึกว่าบทสวดที่พวกเราสวดเมื่อตะกีน้นี้ถูกขัดแย้งกับที่หลวงพ่อสอนนะคะถ้าหารหญิงอายุน้อยและยังเป็นโสดเอ่ยขึ้น ทหารชายทั้งโสดและไม่โสดพากันหันไปมองเพราะหล่อนสวยที่สุดในบรรดาทหารหญิงที่มาปฏิบัติขัดแย้งอย่างไรสมภารวัดป่ามะม่วงถามกลับคือหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตัวเองแต่ในบทสวดมนต์บอกว่าให้พึ่งพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ก็หลวงพ่อบอกว่าไม่ให้หวังพึ่งสิ่งภายนอกไม่ใช่หรอคะ แสดงว่าโยมยังไม่เข้าใจตรงนี้ต้องตีความคือพระพุทธองค์ทรงสอนว่าผู้ใดถือเอาพระลัตนะตรยัยคือพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจสีด้วยปัญญาอันชอบก็หมายความว่าเมื่อเขามีศรัทธาในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธศาสนาสอนโดยการกรริญอริยมรรคมีองค์8ดอย่าง ที่ท่านทั้งหลายกำลังปฏิบัติอยู่นี้เมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะพ้นจากทุกได้ในที่สุดการมาปฏิบัติทาเราต้องปฏิบัติด้วยตนเองจะให้คนอื่นปฏิบัติแทนได้ไหมไม่ได้ค่ะในทหารหญิงสาวโสดและสวยตอบนั่นแหละคือการพึ่งตัวเอง หรือใครไม่เห็นด้วยผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซน์เลยครับหลวงพ่อแล้วเมื่อไรพวกเราจะได้ดวงตาเห็นธรรมครับในทหารชายโสดถามบ้างเมื่อไรก็เมื่อนั้นต้องกลับไปปฏิบัติที่บ้านทุกวันแม้ทํามาปฏิบัติเจ็ดวันแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมพระอรหันต์ก็เต็มเมืองเลยนะสิใจเย็นๆต้องค่อยๆเป็นค่อยไป เอาละใครอยากถามเรื่องอะไรก็ถามได้ท่านให้โอกาสอีกหลวงพ่อคะหรือฉันอยากฟังเรื่องของพระศรีอาณที่มีในคัมภีร์พระไตรปิฎกจะได้ไปเล่าให้ลูกชายฟังเขาจะได้ไปเล่าต่อให้อาจารย์เขาเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างไรขอกราบอาราธนาหลวงพ่อเทศเรื่องพระศรีอาณด้วยเถอคะค่ะ เธอประนมมืออาราธนาแล้วไม่ง่วงกันหรือหรือว่าใครง่วงกลับไปนอนก่อนก็ได้คนที่ไม่ง่วงจะอยู่ฟังอย่างนี้ดีไหมทุกคนตอบพร้อมกันว่ายังไม่ง่วงท่านพระครูจึงเล่าเรื่องพระสีอานให้พวกเขาฟังพระสีอ่านเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าแห่งพัทธะกับ ซึ่งในกลับนี้มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติห้าพระองค์ได้แก่พระกะกุสันทะอายุศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เท่ากับสี่หมื่นปีพระโกนาคมาณนะหรือโกนาคมอายุศาสนาเท่ากับสามหมื่นปีพระกะสัส ป, ปะอายุศาสนาสองมื่นปีพระสมณโคดมอายุศาสนา ผ่าพันปีและพระเมตยะหรือว่าพระศีอานอายุศาสนาหนึ่งแปดมืนปีสามพระองค์แรกเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตพระผ่านพ้นไปแล้วพระองค์ที่สี่เป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันส่วนพระองค์สุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตการ หลังจากหมดอายุศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระสมณะโคโดมแล้วท่านในพลทราบไม่ว่ายังเหลืออีกกี่ปีท่านถามพลตรีสิครินปัจจุบัน2525ย25ห้า 5,000 ลบด้วย 2,525 ยิหก็คงเหลือ 2,475 ห้าครับในพลตอบถูกแล้วเหลืออีก 2,475 ห้าปีก็จะสิ้นยุคของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันหลังจากนั้นโลกจะว่างจากศาสนาอีกนานมากจึงจะถึงยุคพระศรีอาน ซึ่งอายุพระศาสนาเท่ากับ1 0 8 0่ปมืนปีทำไมอายุศาสนายุคพระศรีอานจึงนานกว่ายุคอื่นๆล่ะคะพันเอกพิเศษหญิงสุชาดาถามเมื่อดูจำนวนปีดูเหมือนนานแต่ถ้าเทียบกับอายุของคนแล้วไม่นานคือศาสนาของพระสมณะโคดมอายุเฉลี่ยของคนเท่ากับร้อยปี จึงเท่ากับห้าสิบชั่วคนแต่ยุคของพระศรีอานมนุษย์จะมีอายุยืนถึงแปด0มืนปีก็เท่ากับสองจุดยี่สิบห้าชั่วคนเท่านั้นแล้วท่านจึงเล่าต่ออีกว่าเรื่องพระศรีอานหรือในคำพีของพระเมตยะนี้มีกล่าวไว้ในยจักวัตติสูตรที่ขณิกายปฏิกวัค พระไตปิโดกเล่มที่สิบเอ็ดว่าเมื่อนมนุษย์มีอายุแปดหมื่นปีนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตยะจะมาอุบัติณนะเมืองเกตุมดีซึ่งปัจจุบันคือเมืองพรารณสีประเทศอินเดียเมืองเกตุมดีจะมีพระเจ้าจากักรพรรดิทรงพระนามว่าสังฆะปกครองพระเมตยะจะมาอุบัติในตระกูลพราหมณ์ มีนามว่าอจิตตะส่วนคำว่าเมตยะเป็นชื่อโคตคือตระกูลของท่านอจิตตะครองคารวาสอยู่แปดพันปีมีประสาศาสีหลังชื่อสิริวัฒนะวัฒมาณสิท ธ, ธะและจันทกะภริยาชื่อจันทมุขีบุตรชายชื่อพรหมวัฒนะบิดาชื่อสุพรห ม, มา มารดาชื่อพรหมวดีเห็นนิมิตสี่ประการขณะที่ไปชมสวนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในครวาดวิสัยจึงออกบวชและตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นนาคหลังจากนั้นก่อประกาศพระศาสนาที่เมืองนาควันพระเจ้าสังขะจะสละราชสมบัติออกบรรพชาตามพระองค์ พระอโศกะและพระพรหมเทวะจะเป็นพระอัครส า, าวกพระปทุมมาและพระสุมาณาจะเป็นอัครส า, าวิกาพุทธอุปถามีชื่อว่าสีหอุบาสกผู้เป็นอัครอุปถาได้แก่สมุนสังคะยัสวัตตีและสังคาหลังจากพระเมตรตรยพุทธเจ้าปรินิพานแล้ว ศาสนาของพระองค์จะยืนยาวต่อไปอีกหนึ่งแปดมืปีในสูตรเดียวกันนี้ได้กล่าวถึงพระเจ้าจากักรพรรดิทรงพระนามว่าสังคะว่าเมื่อมนุษย์มีอายุ8 0 0พันปีนั้นหญิงสาวอายุห้าพันปีจึงจะมีสามีได้มนุษย์จะมีโรคเพียงสามอย่างได้แก่ความปรารถนาคืออยากอาหารหนึ่ง ความไม่อยากกินอาหารคือเกียรติคร้านอยากจะนอนหนึ่งและความแก่หนึ่งชมภูทวีปจะมั่งคั่งรุ่งเรืองมีคามนิคมราชธานีแบบไก่บินถึงยัดเยียดไปด้วยมนุษย์เมืองพระนศีก็จะเป็นราชธานีนามว่าเกตุมตีอันมั่งคัง่ง มีคนมากอาหารหาง่ายจะมีพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่ดสังขะเป็นพระราชาผู้ปกครองโดยธรรมมีชัยชนะจบสีทิตปกครองชนบทถาวรสมบูรณ์ด้วยรัตนะทั้งเจ็ดรัตนะทั้งเจ็ดคืออะไรคะหลวงพอ่อนายทหารหญิงอายุน้อยที่สุดถามรัตนะแปลว่าแก้ว ซึ่งแก้วในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแก้วน้ำแต่หมายถึงสิ่งประเสริฐคือสิ่งที่มีค่าสูงยิ่งเจ็ดอย่างซึ่งคู่ควรกับพระเจ้าจักรพรรดิได้แก่จักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วสาหรับท่านทั้งหลายที่มีแก้วสามคือพระลัตนตรัย หรือพระไตรรัตน์ไว้เป็นเครื่องสักการะบูชาขอให้รักษาไว้ให้ดีกลับไปบ้านแล้วให้มันสวดมนต์จเจริญพระกรรมฐานสอนลูกหลานให้ไหว้พระสวดมนต์เขาจะได้มีปัญญาและจะเรียนหนังสือเก่งมีลูกต้องให้เรียนเป็นด็อกเตอร์แล้วก็ให้เป็นด็อกเตอร์ที่รอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่าเป็นด็อกเตอร์ที่เก่งแต่ทางโลก แต่ทางทำกลับมืดบอดเที่ยวไปหลงไหลงมงายของปลอมอัตมาบอกได้เลยว่าพระศีอานที่คนหลงไหลกันนั้นเป็นของปลอมของแท้ยังไม่มาตรสรู้ท่านต้องมาตามคิวจะแซงคิวได้อย่างไรแล้วพุทธมารดาก็ไม่มาเกิดในโลกมนุษย์แล้วท่านเกิดเป็นเท พ, พบุติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต เมื่อเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จไปโปรดพุทธมารดาถิดาวะดึงเทวโลกในภาษาที่หกหลังจากการตรัสรู้พุทธมารดาใหม่มาเกิดเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนอ่างกันไปทรงเดชอย่างนั้นเองคนมีปัญญาเขาไม่เชื่อหรอกสรุปว่าคนที่ถูกหลอก ไม่ได้มีเถื่แค่ด็อกเตอร์เท่านั้นก็ยังมีในทหารอีกหลายคนที่โดนหลอกด้วยใช่ไหมคะพันเอกพิเศษหญิงสุชาดาพูดยิ้มยิ้มท่านพระครูจึงพูดออมชอมว่าไม่เป็นไรต่อไปในทหารจะฉลาดกันทุกคนเพราะได้มาเข้ากรรมาฐานและต่อไปก็จะมีด็อกเตอร์ที่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาและเขาก็จะมาช่วยงานอาตมาด้วย ท่านนึกถึงบุตรีครูสริที่ชื่อวันวิไลซึ่งในอดีตชาติคือจันสมทหารคู่ใจสมัยที่ท่านเป็นแม่ทัพแห่งกรุงศรีอยุธยาปีหน้าเขาจะมาเข้ากรรมฐานเพราะถึงเวลาของหล่อนแล้ว